สัตว์กินสัตว์นี่ยังไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่คนกินสัตว์เนี่ยตามอัตราส่วนแล้วมากกว่ากันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ถ้าเราเองเราเข้าใจได้เราก็พอจะรู้ว่าเออจริงๆเลยสังสารวัตเนี่ยความเบียนว่ายตายเกิดเราเข้าใจเรื่องกรรมในเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมากขึ้นชัดขึ้นจะทําให้เราเนี่ยไม่อยากไปทําบาปไม่อยากไปทําเลวเพราะ ถ้าเราไปทํำบาปเราไปทําเลวอยู่เนี่ยมันจะส่งผลให้เ อ, าอ้าเดี๋ยวเราไม่ได้เกิดเป็นคนน่ะซวยสิถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนเนี่ยนะเพราะขนาดเกิดเป็นคนนี่คุณยังไม่ง่ายเลยคุณจะมาเจอพุทธศาสนาหรือเปล่าพุทธเจ้าถึงตัดว่าต้องมีบุญมากๆนะคุณต้องมีบรารมีคุณต้องสั่งสมสายของพุทธมาเนี่ยมากพอสมควรนะคุณถึงพอมาเกิดเป็นคนแล้วคุณถึงจะมามาพบ พุทธศาสนาได้อีกแล้วไปเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยเกิดตายเกิดตายนี่เร็วกว่าคนอีกเยอะเลยคุณไปเกิดเป็นยุงคุณไปเกิดเป็นมดคุณไปเกิดเป็นอะไรอะ่ะมันไม่กี่วันบางทีไม่กี่วันไม่กี่เดือนเดี๋ยวต้องตายอยู่นั่นนะตายอีกแล้วเดี Đ ๋ยวก็มันไม่คุณมาตรถานไม่พ อ, อ, ก, อก็เกิดเป็นสัตว์อีกเกิดเป็นสัตว์อีกตายไม่กี่วันจะเกิดเป็นสัตว์อีกตายไม่กี่วันเกิดเป็นสัตว์อีก โอ้คุณต้องเวียนอยู่นานนะกว่าจะมาเกิดเป็นคนได้แล้วถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้ได้แล้วเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องบุญบาปต่างๆนะยิ่งไม่เข้าใจเนี่ยซึ่งซึ่งเราเห็นอยู่แล้วจากสภาพความเป็นจริงของของโลกสังคมทุกวันเนี่ยคนเข้าใจจริงๆมีน้อยมากเลยเห็นไหมเพรา ะ, ะส่วนใหญ่คนทําชั่วส่วนใหญ่่ะคนไม่ได้ทาดีหรอก นี่นี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราคราวนี้เอาละคนอื่นตัดรอบไปเราเราเราคิดถึงตัวเราเองนะอาตมามักจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยคํานี้ว่าแต่ละคนลองไปเลยลองไปเช็คตรวจตรวจ ต, ตัวเองดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ทําชั่วกับทําดีเนี่ยอันไหนมากกับการคุณไปตรวจตัวทุกๆุกวันอ่า ไปตรวจเลยไปทํามันเลยเช็คบัญชีรายวันเลยเช็คบัญชีรายวันเลยแล้วก็อาทิตย์นึงรวมผลสักทีหรือว่าเดือนหนึ่งคุณรวมผลสักทีแล้วจะตกใจว่าเออวันหนึ่งวันหนึ่งดิเอาเอาความคิดก่อนก็ได้คิดดีสักกี่ครั้งหรือว่าคิดชั่วสักกี่ครั้งเอาแค่เนี้เอาเอาแค่ประเด็นเดียวก่อนเอาแค่ประเด็นความคิดวันหนึ่งเนี่ยคุณคิดดีกี่ครั้งคุณคิดชั่วกี่ครั้ง เอออาตมาว่าแค่นี้ก็พอลูกผลแล้ว <c oughs> นะแค่พูดในฟังแค่นี้พอลูกผลแล้วแล้วคุณเห็นไหมไวมากเลยเวลาคิดไม่ดีกับคนอื่นเขาหรือกับอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บขึ้นมาอีกแล้วคุณคิดดูเอาอ่ะแม้แต่คิดมองโลกในแง่ดีนะคิดมีเมตตามีความให้อภัยมีความเห็น อ, อกเห็นใจคนอื่นเขาแหมรู้สึกมากมัน มันค่อยค่อยคืบคลานมันค่อยค่อยคืบคลานมาแหมทีละนิดทีละหน่อยนานๆจะแวบเข้ามาสักทีโอ้โหมันน้อยกักนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นคําเตือนที่ให้พวกเราเนี่ยระวังถ้าเราไม่ระวังนะบอกได้เลยโอกาสเป็นคนยากจริงๆคุณแหมแต่คุณจะเชื่อไหมเท่านั้นเองว่ามันยากแสนยากยากแสนยากขนาดไหนนะที่พระอจะรั์เปรียบอัตมา มักจะมาพูดให้ฟังเวีนเรื่อยเปลี่ยนเหมือนกับดูคำดีาสายังมีคนจำได้เหมือนกับเต่าตาบอดอยู่กลางทะเลลึกอร้อยปีเตา่าน่ตาบอดร้อยปีถึงจะโผล่หัวขึ้นมาบนผิวน้ําเนี่ยถึงจะโผล่หัวขึ้นมาบนผิวน้นําอีกครั้งหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวเสร็จแล้วยังไงแล้วเวลาโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะ มันมีบ่วงบวงหนึ่งเนี่ยมันลอยอยู่กลางทะเลไอกลางมหาสมุทรเนี่ยนะบ่วงเนี่ยพอดีคอเต่าเลยบ่วงบวงเนี่ยพอดีคอเต่าเลยแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีเนี่ยต้องสวมพอดีบ่วงนี้เลยนะคอเต่าเนี่ยโอ้โหคุณคุณิดดูเอาเนั่นน่ะผู้เจ้าท่านเปรียบเอาไว้ว่าเนี่ยความเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากขนาดนั้นนะคุณเพราะเนี่ยถ้าใครเข้าใจ คำที่พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไม่ได้เราจะรู้เลยว่าโว้มันยากจริงๆเพราะอาตมาบอกแล้วล่ะกีเพราะแต่ละวันเราจริงๆเราทําชั่วมากกว่าทําดีเมื่อกี้บอกนะเอาแค่ความคิดก่อนนะคุณไปคิดดูเอาแค่ความคิดเรายังรู้เลยโอ้โหจริงเราคิดไม่ดีมากกว่าดีนะเพราะฉะั้นประเด็นแรกต้องหัดเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคือเริ่มหัดคิดให้ดีมากกว่าดีคิดให้มีสัมมาทิฏฐิ คิดให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มากนะจะไปโกรธใครไปเกลียดใครไปอาฆาตลิสยาไม่ชอบใจนะไปขี้โลภนะไปจองเวรไปดูหมิน่นดูถูกอะไรใครเขาพอแวบขึ้นมาคุณรีบเลยโอ้โหมาอีกแล้วมันมากับความมืด <c oughs> แล้วมันมาอีกแล้วแล้วพอรู้ตัวปั๊บโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้คิดอย่างนี้ขาดทุนย่อยยับนะรีบเลยรีบปรับเปลี่ยนความคิด อันนี้เป็นอันดับแรกเพราะถ้าใครเนี่ยไม่สามารถปรับแก้นี้ได้ก็ถ้าคุณเริ่มตัวต้นคุณคิดไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยนะทิฏฐิคุณผิดเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก้าวแรกอะ่ะคุณก้าวไปผิดทางแล้วคุณก้าวไปก้าวที่สองก้าวที่สามก้าวที่4ี่ก้าวที่เท่าไหร่ก็มันผิดทางแล้วมันก็จะไปทางที่ผิ ด, ดเรื่อย เพราะนั้นต่อให้มีความขยันต่อให้มีความบากบัน่นโอ้โหอดทนขนาดไหนนะคุณอพยายามก้าวไปเลยนะแต่คุณก็จะก้าวไปผิดทางไปเรื่อยเืยเพราะนั้นเรื่องของความคิดนี่ไม่ได้เลยอันนี้ต้องเป็นอันดับแรกเลยความขยันมาที่สองนะความขยันนะ่ะคุณจะอดทนคุณจะโอ้โหบากบั่นยังไงอันนั้นมาที่หลังความคิดต้องสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อนเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยยัง คิดไม่ถูกต้องยังคิดผิดๆอยู่คุณก็ทำอะไรผิดๆทางนั้นแหละเสร็จแล้วคุณก็จะไปเห็นผิดนี่แหละเป็นถูกหรือว่าไปเห็นเลวเนี่ยเป็นดีไปซะแล้วคุณก็จะทำอย่างนั้นเพราะนั้นคนนั้นจะไม่มีวันได้ดีจริงๆเลยนะอันนี้ฝากเอาไว้นะเป็นแง่คิดเราจะได้รู้ว่าโอ้โหไม่ง่ายเลยนะที่เราจะเกิดมาแล้วก็มาได้ พระพุทธเจ้าปรากฏว่าอต น, นิ้อดีตชาติของพนางเขมาเทรีนางก็ผ่านพูะเจ้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมนางได้ชื่อว่าเขมาเพราะพอเกิดมาในราชสกุลแห่งกรุงสากสากรสากระล ะ, ะแคว้นมัทะ พระเจ้ามัทราชและชาวพานครมีแต่ความกระแสน้ำลานท่วนหน้ากันคือในยุคของอพู้เจ้าเจ้าองค์สมนาคโคดมเนี่ยปรากฏว่าอดีตชาติของของพระเขมาเถรีเนี่ยนะมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์แควนมัท ธ, ธะเนี่ยปรากฏว่าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็ ยินดีพอใจมีความสุขกันเลยได้ชื่อว่าเขมาเขมาเขมังนี่แหละก็คือความกเกษมนั่นเองนะคือความสุขความสําราญความสบายใจต่างๆนะเขาเรียกว่าเขมังหรือเขมาเมื่อเติบโตเจริญวัยเป็นสาวก็มีรูปร่างสวยงามนะผิวพรรณงดงามได้เป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชพฤหัแควนมคต ผู้ซึ่งถวายพระราชอุทยานเวรุวันเป็นสังคารามแก่พระาศาสดาปรากฏว่าได้ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารด้วยเหตุที่พระนางเข็มมามีรูปงามเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามีพระนางจึงยินดีพอใจในการบำรุงรูปให้งามและไม่พอใจที่จะฟังคนกล่าวถึงรูปที่น่ารังเกียจ หรือโทษภัยต่างๆของรูปพระนางจึงไม่เสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาเลยเพราะเกรงว่าพระาศาสดาจะแสดงโทษของรูปให้ฟังนะประเภทอะไรในประเภทเป็นสาวประเภทแหละนะสาวประเภทรักสวยรักงามอย่างยิ่งรักสวยรักงามจัดนะจนกระทั่งเนี่ยถ้าใครมาพูดในมุมลบของเรื่องความสวยความงามนี่ไม่อยากฟังไม่อยาก เจอไม่อยากได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเลยถึงได้ไม่ไม่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเพราะแน่นอนชัวร์ปึกเลยถ้าเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าไปนไงต้องได้ฟังอสุภะบ้างได้ฟังนะโทษภัยของความสวยความงามบ้างจะต้องได้ฟังแน่เพราะฉะนั้นรู้อยู่แก่ใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไปเข้าเฝ้าเลย น, น, นี่แสดงว่าติดมากเลยนะโอ้โหติดจนกระทั่งได้ยินคนพูดถึงไอ้สิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยสิ่งที่น่ารังเกียจต่างต่างเนี่ ย, ไ ด, ย, ไ, ดย ไ, ได้ยินไม่ได้เลยโอ้อาการหนักพระเจ้าพิพิสารทรงเห็นเช่นนั้นจึงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือพระนาเข ม, มารับสั่งให้เรานักร้องแต่งเพลงพรรณนาถึงความงดงามของพระเวรุวันมหาวิหาร แล้วกลับกล่อมให้พระนางฟังกระทั่งพระนางเข้มมาเคลือบเคลิ้มคิดว่ า, พ ร, ารพระมหาวิหารนี้เป็นที่ประทับของพระาศาสดาช่างน่ารื่นรมงดงามยิ่งนักเป็นดุดดังนันทวันอันเป็นสวนสวรรค์ของพระอินทที่น่าเพลินชม ม, มิได้เบื่อผู้ใดาหากได้เห็นพระมหาวิหารก็เสมือนได้เห็นนันทวันเช่นเดียวกัน คือพูด ง, ง่ายๆว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะพอเห็นว่ า, าพระนางเขมมาเนี่ยโอ้โหอาการหนักมากนะติดสวยติดงามเหลือเกินก็เลยคิดอุบายออกมาให้คนเนี่ยแต่งแต่งเพลงร้องร้องอาพารนาถึงพระเวรุวันมหาวิหารเนี่ยซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนี่ถวายให้พระวิจ้าประทับ แล้วก็พิสูจนสง์ทั้งหลายนะเป็นที่อยู่อาศัยนางก็ให้พรรานาว่าโอ้โหสวยงามยังไงอะไรต่ออะไรนะจนกระทั่งเรียกว่ามาร้องให้พระนางเขมมาฟังนี่พระนางเขมมาบเคริ้มเลยจนอยากอยากจะไปเลยอยากจะไปชมเนี่ยพระวิหารเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยโอ้โหพระวิหารเวรุวันนี่ยังกับสวนสวรรค์ของพระอินเลยพระนางจินทุนขอเสด็จไปชมพระมหาวิหารนั้น พระเจ้าพิมพิสารดีพระไทยนักรีบตัดว่าเชิญชมพระมหาวิหารเวรุวันเถิดเป็นที่สวยงามสงบเย็นตาเย็นใจ ย, ยิ่งเปล่งปังด้วยรัศมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันงามด้วยคุณความดีทุกสมัยจะไปชมพระวิหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ดีดีดีดีหนุนเลยนะไปไปไปดูเนี่ยเพราะว่าพระวิหารเนี่ยที่สวยงามที่สุดเนี่ยคือ คือมีพระพุทธเจ้าอยู่น่าบอกบอกบอย่างนี้เลยว่าโอ้สิ่งที่สวยงามที่สุดในในพระวิหารเนี่ยในสวนเนี่ยสวนเมลุวันเนี่ยแต่พระนางรีบทูลทันทีว่าในเวลาที่พระาศาสดาสเสด็จบินถบาทในพระนครราชคือเมื่อนั้นหม่อมฉันจะไปเข้าชมพระมหาวิหารด้วยคะ่ะแต่ตรงนี้เสียท่าไปหน่อยนะพระเจ้าพิมพิสารเสียท่านะ ที่ไปบอกว่าไปบอกถึงพระพุทธเจ้านะเนี่ยเลยพอได้ยินอย่างนี้เลยอยากจะไปอยู่นะอยากจะไปดูพระวิหารอยู่แต่แต่ไม่อยากเจอพระพุทธเจ้าไงเพราะฉะนั้นก็เลยบอกจะไปชมพระวิหารแต่รอให้ผู้เจ้าไปบิณฑบาตตอนไหนนะถึงจะไปชมโอ้โหคิดตัวเอาก็แล้วกันเหมือนบางคนเนี่ยนะเห็นพ่อท่านหรือเห็นพระผู้ใหญ่เดินไปตรงไหนเนี่ย หลบเลยนะี่ะหลบมุมนู้นหลบมุมนี้ไม่ยอมเจอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแบบพนานเขมมาใช่ไหมนะั่นมีจิตมีจิตแบบนี้หรือเปล่าเอาจริงๆส่วนใหญ่มักจะมีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นกิเลส ต, ตัวไหนเท่านั้นเองคือของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงแต่มีจริงๆรินะอันนี้มันเป็นวาสนาบา ร, รมีอย่างหนึ่งของความที่เรา เรารู้สึกว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วก็มีบุญบรารมีนะเราเองเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ปฏิบัติได้เยี่ยมยอดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราเนี่ยมีกิเลสอยู่อนะเรายังทำไอ้นั้ ไ, นไมดีทําไอ้นี้ไมดีจิตมันจะมีกิเลสตัวกลัวเออสุรกายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะกลัวมันไ ม, ม, นไม่มันไม่กล้าไปเจอนะบางทีจําเป็นต้อง มานั่งรวมหมู่รวมกลุ่มกันนั่งไกลๆประเภทพวกนั่งไกลๆหรือดังหลบอยู่หลังเสาอะไรห่วงเนี่ยคือคืออยากได like ้เห็นได้อะเป็นดีแต่บางทีอยากฟังนะอยากฟังว like, ่าท่านจะพูดยังไงบ้างนะแต่อยากให้เห็นเราเป็นซะอย่างกันถ้าอย่างนี้กิเลสไม่หมดละเพราะว่ายิ่งกลัวมากเนี่ยกิเลสยิ่งสลายช้า นลจริงๆกล้าก้าหน่อยฮะโดนด่าทั้งหน่อยก็จะหายเร็ว <c oughs> กิเลสจะเลิกจะหมดได้เร็วอาตอนนี้ปรากฏว่าพอบอกอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมว่าว่าจะไปดูตอนที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วเช้าวันหนึ่งเมื่อเราภิกษุบิณฑบาตอยู่ในพระนครพนางเขามาจึงเสด็จชมพระมหาวิหารสวนดอกไม้กำลังแย้มบานหมู่มแมลงพึ่งบินว่อน ตอมดอกไม้เสียงนกดูเ่าเร่าร่ำร้องดังเสียงเพลงประสานกับนกยูงลำแพงหางราวกับฟ้อนรำสงบสงัดจากความพุกพร่านอื่นพบเห็นแล้วน่าเรื่อนรมเย็นใจด้วยกุฏีและมนดบต่างๆพูดง่ายว่าวโหพอได้ไปเดินดูแล้วก็โอ้โหเป็นที่ชอบใจพอใจจริงๆนาะสวยงามจริงๆ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 คุยง่ายอัตมาโดนมาแล้วจริงๆนะอันเนี้ยโดนล้วยมอมเพื่อนพี่ชายอตอนอัตมาขอขอโยมที่บ้านมามาอยู่ที่สันติสุขเนี่ยขอมาบวชอยู่ที่นี่โดนจริงๆเลยโอ้โหว่าเลยนะว่าเลยมาบอกใหญ่เลยว่าเลยแต่ตอนนั้นบอกอัตมาว่าให้อายุสี่สิบหรือหกสิบก่อนค่อยมาบวชโอ้โหอัตมาโอ้โหต้องรอตั้ง40ิบเลย ตอนนั้นเพราะว่าตอนตอนกําลังที่จะมาเนี่ยประมาณทักสาสิบเศษเศษนะพี่ก็เพื่อนพี่คนนี้เขาเลยบอกเลยบอกเอ็งต้องเอ็งต้องรองให้สี่สิบกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่อยมาบวชอะไรเราฟังแล้วเราก็โอ้โหจะให้เราอีกอยังงั้นได้งไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้ฟังลูกเดียวเลยนะวันนั้นอะ่ะไม่ไม่ไปเถียงอะไรเขาอะ่ะ แต่แต่เถียงในใจไม่ได้อ้าปากเถียงแต่เถียงอยู่ในใจว่าเราจะมานะ่แม่ใครจะไปรู้เวลาแล้อใครจะเกิดใครจะตายยังไงมันไม่แน่นอนคิดอยู่ในใจว่ายังไงก็จะต้องมานะก็เลยเงียบฟังเขาพูดฟังเขาว่าลูกเดียวแหละเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านเขาอยู่ดียังไงความสําคัญก็อยู่ที่เราคุยกับ โยมที่บ้านเราอ่ะความสำคัญอยู่ที่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นแล้วก็ตัดลอบไปแล้วเราก็ไม่ไปทะเลาะ อ, อะไรกับเขาในที่สุดก็ค่อยมาคุยกับโยมแม่คือคือโยมพี่ๆในบ้านไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราจะทําดีอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรอ่าแต่เหลืออยู่โยมแม่ที่ที่เศร้าโศกเสียใจไงก็เลยไม่อยากให้เรามาโอก็เลยต้องคุยคุยพอสมควรีเดียะ